เ, เดี๋ยต่อกันเลยเนาะคือคือเรื่องมันยาวไงจะรีบต่อต่อไปเลยเดี๋ยวยัไม่ทันจบเออตอนที่อนาถาพินิกะเศรษฐีจิตอ่อนควรนะคาว่าจิตอ่อนจิตปราศจากนิวรก็คือหลังจากท่านฟังทา น, นากถาศีรกถาสักขาคาถาคือเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามแล้วอ น, นิสงส์แห่งการออกจากกามอา น, นิสงส์แห่งการออกจากกามก็คืออะโลพาจะเด่นมากเนคขม่าเนี่ยนยะ เน่คัมมาเนี่ยคนที่มีเน่คัมมามากก็คือคนไม่โลภก็คือคนไม่โลภนั่นแหละออกน้อมออกไม่ติดข้องแล้วไม่ติดข้องในในกามในวัตถุกามแล้วฉะนั้นกามารีนะวะเนี่ยเห็นโทษและเน่คัมมานี้สังสัก ก, กถาเห็นอานิสง์ของการออกจากรูปเสียงขีดรสสัมผัสอานิสงของการออกจากกามแล้วออกจากวัตถุกาม ออกจะด้วยอํานาจของไม่มีกิเลสกรรมมาเกี่ยวข้องเลยนะฉะนั้นจิตของบุคคลที่ยึดติดมีโลภะมากๆเนี่ยออกบวชได้ยากคนที่โลภะ น, น้อยๆอโลภะเด่นก็น้อมอยากจะออกอยากจะปรีกกอเลยก็ว่ากันไปนะอยากจะปลีกคําว่าอยากจะปรีกในที่นั้นก็คืออยากไม่อยากจะอยู่และใจเห็นเห็นการคลองเรือนเนี่ยเป็นเรื่องยากการอยู่ในเพศที่คับแคบ กุศลก็ไม่ค่อยเกิดใช่ไหมบาปเป็นส่วนใหญ่เห็นโทษเห็นไหมแต่คารวาที่เห็นโทษในขณะนั้นน่ะท่านเห็นโทษในขณะที่จะทําจิตเพื่อรองรับอริยสัจใช่ไหมรองรับอริยสัจที่นั้นตอนนั้นน่ะโทษของกามจะเด่นชัดในกระแสจใจของท่านมากใจก็จะน้อมออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินและไม่รุ่มหลงละ ตอนนั้นอารมพาก็เด่นอโทมศาสาก็ชัดใช่ไหมปัญญาก็เริ่มตรงนั้นท่านจึงใช้คําว่าจิตก็จะอ่อนปราศจากนิวรณ์แปลว่ากามฉันทะความยินดีเพลิดเพลินในกามทั้งหลายไม่กุ้มลุมพยาบาทก็ไม่กุ้มรุมความหงุดหงิดทั้งหลายเนี่ยไม่กุ้มรุมแล้วจิตอำนาจโทสะจิตที่ประทุษร้ายอารมณ์ทั้งหลายจิตที่โหดร้ายต่ออารมณ์ก็ไม่เกิดขึ้นก็มีสภาพจิตที่ไม่โหดร้ายต่ออารมณ์สภาพจิตที่เยือกเย็น ระโดดวันจันน่ะจันวันเพนน่ะนะนั่นแหละมีความเย็นมีความสงบอย่างนั้นแหละแล้วก็นิวรธาธรรมทั้งหลายก็ถูกระได้ด้วยจิตที่อ่อนจิตที่อ่อนจิตที่เบาคนที่มีนิวรธาธรรมมากนั้นกลุ่มจิตหนักจิตไม่แข็งอ่อนก็คือมุทุตาเนี่ยกรรมยาตาอย่างนี้แข็งแรงมากคนที่มีทิฏฐิมานะมากจิตแข็งกระด้าง นั่นเาเรียกจิตไม่อ่อนอนี้นจิตก็ควรต่อการงานด้วยที่เป็นไปกับกุศลด้วยจิตก็อ่อนจิตปราศจากนิวรันคือกามจันทภพยาบาทถีนมิทะอุทธจักกุกุจจะเป็นโรคไอพวกอุทธจั ก, กุกุจจะเนี่ยมันก้มรุมเนี่ยจิตมันมีโรคคอยทิ่มคอยแทงอยู่ตลอดเวลาวิจิกิจฉาก็คือความลังเลสงสยัยอันนี้เขาเรียกว่าหมุนรอบด้านหมุนรอบด้าน สงคือไม่กล้าที่จะออกไม่กล้าที่จะเดินกุศลได้เต็มรูปแบบไอ้วิจิกิจฉานะ่ะคอยกระชากให้หมุนกลับมันสงสัยทุกจุดรอบด้านจิตที่มีวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นจิตที่เกิดเยียวยาด้วยปัญญาได้ยากที่สุดเยียวยาด้วยปัญญายากที่สุดเพราะเป็นสภาพจิตที่มันหมุนรอบด้านกังขารอบด้านจะเจริญกุศลก็ประเภทยังลังเลสงสัย ไม่เชื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถามว่ามีจริงหรือนี่นะเอไปสงสัยในสรีระคุณพระพุทธเจ้ามีพระเนตรอย่างนี้จริงหรือใช่ไหมมีพระนาศิกอย่างนี้จริงอมีพระขนมอย่างนี้จริงอมีพระโอดมีพระทนใช่ไหมมีพระเมาลีมีพระเสียนกลมอะไรกว่ากันไปเหอะ แล้วก็มีลัมพะสะัสสมีพระพาหามีพระชงแบบนี้แบบนี้จะจริงหรือเนี่ยนี่สงสัยในสรีระคุณหนักเข้าก็คือสงสัยในพุทธคุณพุทธเจ้าเนี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงหรือเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะจริงหรือไม่สงสัยในพระธรรมเห็นไหมสงสัยในมรรคสีผลเสียนิพานหนึ่งสงสัยนิพานมีจริงไหมสงสัยอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหม สงสัยว่าเมื่อสามารถเมื่อเดินตามศีลสมาธิปัญญาเดินตามมรรคแปดแล้วเนี่ยจะบรรลุพระนิพพานจริงหรือไม่สงสัยปริยัติธรรมถูกไหมพระวินัยบิดอกพระสุตตานตบิดอกพระวิธรรมบิดกเนี่ยถูกต้องจริงหรือไม่สงสัยว่าพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุได้จริงหรือเปล่า มีคุณธรรมอย่างนั้นจริงหรือไม่สงสัยสิกขาสามศีล ส, สมาธิปัญญาจะเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้จริงหรือไม่สงสัยกระแสขันในอดีตมันมีมาจริงไหมเนี่ยขันทารายตนาในอดีตเนี่ยรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยและกรรมในอดีตที่เคยทํามาอย่างยาวไกลเนี่ยมันจะให้ผลในลําดับนาสืบต่อในพบนี้ได้จริงหรือไม่กรรมที่ทําในปัจจุบันในพบนี้จะให้ผลในลําดับสืบต่อไปในพบหน้าจริงหรือไม่ สงสัยอดีตอนาคตสงสัยวงจรปฏิสบุรุษบาในการไล่การให้ลำดับของเหตุผลและการให้ผลของกรรมและผลของกรรมทั้งหลายมันจะให้ผลในลำดับสืบต่องพบชาติได้จริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยวิจิกิจฉามันรอบด้านหมดเลยเนี้ยคล้ายปัญญามากคล้ายปัญญามากฉั้นคนที่ศรัทธาอ่อนแอนั้นทํำลายวิจิตกิจฉาไม่ได้จิตมันกังขาอยู่เนืองนิดแล้วก็กังขาจนตนเองไม่สามารถเดินเข้าสู่กุศลได้อย่างต่อเนื่องเป็นไหมแบบเนี้ นี่เขาเรียกว่าเยียวยาด้วยปัญด้วยยาคือปัญญาได้ยากที่สุดมันรอบด้านเป็นแบบนี้วิจิตรฉาเป็นแบบนี้เกิดขึ้นกับใครก็โอ้โหแย่เลยอามาใช้คำว่าสวยแล้วสวยแล้วทีิจิตรฉาแรงขนาดนั้นนะ่ะลําบากก็ทําให้ตัวเองติดกับดักตัวเองอะ่ะไม่สามารถจะเดินเข้าหากุศลได้เนะ่ะมันลังเลหมดแต่ถ้าบาปไม่ลังเลนะพวกนี้ไม่มีอะไรลังเลแต่ถ้ากุศลนี่แหมตั้งข้อกังขาลังเลตลอดเลย สำคัญว่าตนเองรู้ตนเองเข้าใจเลยนี่เขาเรียกวิจิกิจฉาไม่ใช่ปัญญามันธรรมชาติที่คล้ายคล้ายปัญญาเนะี่ยวิจิกิจฉาเนี่ยเขาเรียกโมมัวโมมัวจิตจิตที่หลงอย่างมากหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินไม่ใช่เขาใช้คำว่าอติสยะเป็นวิเศษเป็นวิเศสนะไปหมายความว่าเออเป็นวะิเศษก็หมายความว่าอตินะอติอติสยะหมายยิ่งเกินและมากหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินหลงอย่างมากนี่เขาเรียกโมมัวจิต วิจิตริชานี่จนสําคัญว่าเป็นบัญญาเลยเนี่ยจิตปราศจากนิวรณ์จิตก็สูงจิตก็เลื่อมใสแล้วเนีเลื่อมใสแปลว่าไม่มีวิจิกริชานิวรณ์แล้วสัตทินรียแข็งแกร่งและตั้งมั่นแล้วพระองค์ก็ประกาศธรรมเทศนาที่พระเจ้ทาทั้งหลายจากยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองอริยสตรีพระเจ้ายกแสดงฉะนั้นใครจะแสดงก็คือพระเจ้าผู้ยกนะแสดงเองนะจะผ่านใครนั้นก็คือก็แล้วแต่ฉะนั้นพระบุทธศาสนาเนี่นะ จกไปอยู่ในใครจะเอาไปใช้เนีเอาไปเถอะบางคนน่ยไปหวงฉะนั้นจะเป็นพุทธจะเป็นคริสต์อิสลามสิกินดูทั้งหลายเอาไปใช้เอาไปเถอะเพราะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากที่จริงคําว่าพุทธศาสนาเนี่ยคาว่าพุทธศาสนาพระเจ้าไม่ได้ไปขาดอย่างนั้นมันเป็นการพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมานั้นเนี่ยพระเจ้าไม่ได้จํากัดเรื่องศาสนาเลย แต่พระเจ้านั้นต้องการจะดึงคนให้พ้นจากวัตทุกข์ฉะนั้นจะเป็นศาสนาพราหมณ์เอาไปใช้ศาสนาอะไรต่างๆหรือคนที่นับถืออย่างเก่าแก่รับถือละที่ใดๆไม่มีหรืออย่างไรก็แล้วแต่พระเจ้านั้นน่ะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคําสอนพระเจ้าน่ะช่วยกันเอาไปกรจายไปแทรกซสมเถอะบางคนกลัวว่าเขาจะตัดต่อคําสอนของเราเอาไปใช้น่ยกลัวทําไมพระพุทธเจ้าไปช่วยเขาแล้ว ให้เขาไปเธอกลัวเขาจะรู้อย่างนี้โดยซ้ําไปใช่ไหมกลัวแล้วเกินที่เขาจะไม่ยอมเอาไปเนี่ยขอให้เอาไปใช้นะเพราะพระเจ้านั้นน่ยไม่เคยมองเห็นทุกคนแตกต่างมีผ้ามหากรุณาทุกคนแก่บุคคลทุกคนไม่เลือกหน้าพระบรมศาสดานั้นปรารถนาจะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏให้สัตว์เหล่านั้นได้พ้นทุกข์ได้ดวงตาเห็นธรรม ไม่ได้บอกว่าโอ้ยนี่ไม่ได้ไม่ได้ท่านอยู่ศาสนานั้นห้ามเอาคําสอนพระเจ้าไปไม่มีไปช่วยกันกระจายข่าวเอาไปใช้กันเยอะๆพระเจ้าจะได้ทํากิจเพราะพระเจ้าไปอยู่นะที่ไหนเนี่ยก็ดึงให้คนทํากุศลแล้วก็ให้คนเห็นความจริงของกระแสะของชีวิตใช่ไหมให้พุทธญาประกาศยกขึ้นประกาศด้วยตนเองก็คือประกาศเรื่องทุกข์เห็นไหมทุกใครไปพูดเรื่องทุกข์ ใครไปพูดเรื่องเหี้ยให้เกิดทุกได้ถูกใครไปพูดสภาว่าความดับทุกข์คือพระนิพพานใครไปพูดในเรื่องของมรรคข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้อย่างถูกต้องจะไปอยู่ในปากใครก็ได้ใช่ไหมบางคราวเนี่ยแม้อบายศัตว์เนี่เอาไปประกาศได้เลยประกาศคําสอนพระเจ้าเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเนี่ยก็ได้ไม่ต้องถึงคนมนุษย์เทวดาหรือพรหมทั้งหลายเนี่ยเอาไปประกาศเถอะพระพุทธเจ้าเนี่ย จะเป็นผู้ยกขึ้นประกาศอยู่แล้วจะผ่านใครก็ได้ใช่ไหมจะผ่านอุบาสกอุบาสิกาหรือไม่ใช่อุบาสกไม่ใช่อุบาสิกาใครจะไม่ประกาศว่าเป็นผู้นับถือพุทธเจ้าแต่ถ้าเอาคําสอนพระเจ้าไปประพฤติปฏิบัติแล้วในที่สุดจริงๆนั่นแหละเป้าหมายของพุทธเจ้าก็ต้องการจะขนสัตว์หรือสัตว์ต้องการจะให้ตาคือปัญญาของสัตว์โลกใช่ไหมไม่ได้ไปจํากัดนะว่าโอ้โหนี่บางคนสมัยก่อนคนเขามาบอกกันนี่เขาเอาคําสอนของพระเจ้าไปไว้ที่โน่นที่นี่แล้วแล้ว ออกมาก็าดีแล้วพุทธเจ้าจะได้ไปโปรดเขาใช่ไหมดีไมด่ดีเป็นเรื่องที่ดีขอให้พุทธเจ้าเข้าไปเธอจะเข้าไปในที่ไหนก็ได้ประเทศไหนพุทธเจ้าเสด็จไปหน้าที่ไหนแล้วเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะเพื่อความสุขพระบูชาประกาศอยู่แล้วจริถาพิคเวเจริกลงวังหูชนะอตายะโพชนะสุขายะโลกาโนกามบายาใช่ไหม ดูกอนวิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของเทียบทั้งที่เป็นของมนุษย์ดูกอนวิสูทั้งหลายแม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วพ้นแล้วจากบ่วงอเรายังไม่พ้นไล้เนี่ยกามะคุณเน่ยเป็นบ่วงสีเสียงกินรสสัมผัสเน่เป็นบ่วงกามะคุณเรียกเนี่ยบ่วงโดนคล้องคออีกหนึ่งลายแล้วเห็นไหม บ่วงเนี่ยทั้งที่เป็นของทิฟสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เป็นบ่วงอันนี้เอเ อ, อเป็นเหยือ่อขอใครอันนี้เป็นเยือ่อสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เป็นเยือ่ออะไรเป็นบ่วงราคาโทรศัพโมหาเป็นเป็นบ่วงตอนเนี้ยเวลาเราจะไปกินเหยือ่อไปเสพเหยือ่อไปเกี่ยวข้องกับเยือ่อเราติดบ่วงไหมติดไม่ติด เห็นสีติดบ่วงไหมถ้าไม่ติดบ่วงเห็นสีกุศลเกิดกุศลเกิดจะติดบ่วงไหมไ ม, ไม่ติดนะถ้าราคาโทรศัพโมหะเกิดติดบ่วงไห ม, ไมโดนคล้องคอดดนากแล้วได้ยินเสียงถ้ากําหนัดขัดเครืองล่มหลงเกิดติดบ่วงหรือยังติดแล้วโดนากแล้วโดนากคอแล้วถามว่าวันหนึ่งวันหนึ่งติดบ่วงกันบ่อยไหมเนี่ยเนี่ยเราเป็นเนื้อไม่ฉลาด เข้าไปเกี่ยวข้องที่จะไปกินเหยื่อกินไม่เป็นตอนนี้กําลังติดบ่วงกระโดดกันกระยงกระแยงเลยเนี่ยนึกภาพออกไหมเนื้อตัวนั้นนะ่ะเข้าไปใช่ไหมจะไปกินเหยื่อที่นายพานดักเขาไว้ไอ้นายพานก็ดักใช้กับใช้บ่วงล่อไว้เราไม่ฉลาดเราเป็นเนื้อที่ไม่ฉลาดไม่ได้รับการอบรมใช่ไหมแต่เนื้อที่ฉลาดนั้นน่ะ คือผ่านการอบรมอย่างดีแล้วตอนนี้เรามาเป็นเนื้อที่ต้องการมาอบรมมาบ่มคำสอนใช่ไหมต่อไปไปเกี่ยวข้องกับเหยื่อเราจะได้ไม่ติดบ่วงตอนนี้เป็นเนื้อกำลังมานั่งอบรมกันเนี่ยเป็นเนื้อฉลาดไหมเนี่ยพระเจ้าก็เริ่มให้ข้อมูลเขาใจอย่างยมนวนว่านี่ยมนวนเวลาจะไปเกี่ยวข้องกับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนั้นมันเป็นเหยื่อ แต่อย่าลืมนะมีนายพานนะ่ะดักล่อเอาไว้มีบ่วงมีแล้วอยู่มีกับดักอยู่ถ้าไปเจ็บไปเกี่ยวข้องไม่ฉลาดก็จะโดนกับดักหรือบ่วงนี่คล้องแล้วก็ลากไปลากถูกลูกทุกลางถามว่านายพานมันได้เนื้อแล้วมันเอาไปทําอะไรเอาไปฆ่าตอนนี้เราถูกนายพานจับได้หรือ ย, ยัง ถ้าจับแล้วเดี๋ยวมันจะเอาไปฆ่าใช่ไหมตอนนี้ไปแก่งไงไปเจ็บไงแล้วไปตายแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ไปโศกไปลำลําไลาพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะเป็นทุกข์ด้วยการแสวงหาทุกข์เพราะการรักษาทุกขเ์เพราะแปลไปเลยสารพัดเนี่ยผิดหวังตลอดเนี่ยนี่แปลว่าเจอโดนในพัน์ดักติดแล้ว แล้วก็ลากไปแล้วตอนนี้เขากําลังทุบที่ไปโทรมานัดกันเนี่ยโดนทุบกําลังจะตายแล้วเนี่ยเนะ่ยตอนนี้บอกเดียวเดียวเดียวขอกลับมาอบรมใหม่ไปต้องการจะเป็นเนื้อที่ฉลาดยำนอฟตอนนี้เป็นเนื้อที่ฉลาดหรือ ย, ยังยังไม่ฉลาดอีกบอกให้เป้าพระเจ้าเขาไว้ฟังให้เข้าใจอย่า ไ, ไปเสพเนื้ อ, อไปเสพเยื่อมันจะได้ไม่ติดบ่วง ราคาโทรศาโมหาเป็นบ่วงที่ในพานคือมานดักเขาไว้มานก็เอาเลยเอาเหยื่อล่อเอาสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาล่อเขาไว้ให้พวกเราไปเกี่ยวข้องอีกห้าตัวหกตัวนี่แหละพอไปเกี่ยวข้องแล้วไม่ระมัดระวังก็โดนคล้องป๊อเรียบร้อยโดนรากและโดนรากและถูไถไปแล้วไปแล้วแต่เนี้ยโดน ตอนนี้คนโดนนี่ยังโดนคล้องไปกี่บ่วงแล้วเนี่ยบุตรเป็นบ่วงไหมซับเป็นบ่วงไหมสามีภรรยาเป็นบ่วงไหมโอ้ยโดนมัดหมดเลยแต่นเนี้ยโดนแล้วห่วงใหญ่ๆญ่ญบ่วงใหญ่ใญ่แล้วทำยังไงแต่นเนี้ทำยังไงดีแต่นเนี้เป็นเนื้อไม่ฉลาดเนี่ยบางคนบอกโอ้ยเราไม่ต้องมีแต่งงานแล้วสบายแล้วกอดกับซับอยู่แล้วไปไม่ได้ ยังโหยหาวิ่งหาอยู่นั่นแหละบางคนเนะี่ยไม่มีอยู่แล้วยังไปวิ่งเอาหลานมาเลี้ยงอีกโอ้โหลำบงังไม่ทำไงลยบ่วงเบอ้อเลยโดนดักลากคอแล้วลากคออีกตอนจะเช้าก็กำหนัดบังขัดเครื่องบั่งลุ่มหลงบัางไปแล้วความสุขของเขาที่ไหนไดเขาทบเอาเสียงร้องโอ้ย โอ้ยโอ้ยแต่คนตาดีทั้งหลายคนหูดีทั้งหลายก็ฟังโอ้ตายทรมานน่าก ล, วลัวแท้โดนทุบโดนลากนะเขาก็ลากไปโรงพยาบาลก่อนอยังไม่ฉีดยาว่าว่าไปผมก็เริ่มงอกตาก็เริ่มมัวหูก็เริ่มตึงตลีรากก็เริ่มเยียวเยอะแต่มันก็เริ่มจะลากไปทุบแล้วนะเข้านะเขาก็เชื่อดครั้งสุดท้ายก็ตายเกินใหม่อีกมันไม่ยอมนะกระแสะชีวิตมีอยู่นะมันก็ลากถูลูถูกกางไปทุบ ไ, ไปทรมานอยู่นั่นแหละโอ้โหแสนจะทรมาน ก็ไปโดนกับดักไปแล้วติดบ่วงไปแล้วทําไงออกมาต้องดิ้นออกให้ได้นะเนี่ยเอาตอนนี้มาเข้าการเข้าคอสอบรมพุทเจ้าบอกเอาข้อมูลไปใหม่เธออย่าเป็นเนื้อที่โง่สิใช่ไหมต้องเป็นเนื้อที่ฉลาดเพราะจะไปเกี่ยวข้องกับเยื่อในเหยื่อนี่ยมันมีมันมีถามว่าไปเกี่ยวข้องกับสีเสียงกินรถสัมผัสเนี่ยนายพานไม่ได้ใจดีนะ เขาไม่ได้ไปใจดีนะว่าโอ้เนี่ยกินเธอเขาจะไม่ทําลายหรอกคุณจะได้อ้วนพี่ใช่ไห้เนื้อไม่ฉลาดทั้งหลายก็พากันไปกินกินกินกินติดบ่วงกันติดกระต o n กระเล้งก็ไม่สนใจแล้วปากห่วงกินน่ะไอ้เนื้อเนื้อปุงนั้นน่ะก็ห่วงไปกินอยู่นั่นแหละแล้วไม่เห็นภัยที่เฉพาะหน้าไม่ได้สนใจเลยไผ่ไดจะมาหน้าตายกันล่มแก่กันล่มอะไรต่างไม่รู้เรื่องรู้ราวกันแล้วไใ้หน้ามือตามัวหมดแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้ว พ่อมาดันหน่อยไปเสร็จ ท, ทําทีร้องไห้หน่อย อ, อ๋อลูกตายง แ, แง๊ะง๊ะตายไปแล้วใช่ไหมนะเขานะเขา้า อ, อ๋อลืมเนื้อลืมตัวหิวลืมไปแล้วไอ้ลูกคนนั้นตายพ่อคนนั้นตายแม่คนนี้ตายญาติตายตายไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยสะเทือนใจเลยอโดนบวงลากไปเขาไปทบตายกันไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่รู้เรื่องอีกยังคิดว่าโอ้โหเราสบายเราสบายกันอยู่นั่นแหละเข้าใจเลยเนื้อไม่ฉลาดนี่ลาบากมากไม่รู้พูดนี้เข้าใจ่ะไม่รู้ แล้วกลับไปจะไปเป็นเนื้อตัวนั้นอีกไหมไปเป็นอีกไม่รู้ก่อสมแล้วทั้งนั้นนะโดนทบุบวะโดนทบุบวะโดนลากวะโอ<ห>้หโดนลากไปน่าทรมานนะโอ้โหโมหานี่แรงแท้เนาะให้สังเกต ด, ดูนะ สังเกตดูนนะปู่ย่าตายา ย, ายเราตายลืมๆลืมๆไปล้วก็เห็นอยู่ว่าติดบ่วงโดนโดนในพานเข้าไปต้มไปแกงไปกินนี่ยเขาไปประทุสลายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ดูเพลินๆมึนๆอย่างเออดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เราหิวใช่ไหมสักพักลืมแล้วรีบกินเนื้อกินเรียบกินเหยื่อใหญ่กินอย่างเมามันเนี่ยข้าวโดนล็อกแล้วเรียบร้อยเนื้อตอนนั้นก็โดนจับไปเอ้ามันยังมีมองเห็นคนอื่นมันยังอยู่ก็เนี่ยแล้วก็มึนแล้วไม่รู้เรื่องเลยแต่เนี้ย เขายังอยู่กันอย่ังเต็มอยู่ไม่เห็นหมดไปสักทีเลยว่างัไงเนื้อผงนี่ก็ยังเยอะอยู่เนี่ยที่ไหนได้ไอ้เจ้านายพานกินตาบ้ายเลยทีเนี้ไม่รู้พูดอุปมาอนี้เข้าใจว่าอันนี้พูดตามคําสอนเลยนะไม่ยกอุปม า, มาเองนะเนี่ยอันนี้ย ก, ยกตามคําสอนเลยไม่ใช่ไปยกอุปมาเองเลยตรงนี้นี่แหละพระพเจ้าการแสดงโทษของกามไงแล้วก็อ น, นิสงบอก ไอ้ของการออกากิจการพูดเรื่องทุกข์แต่เกข็ขวิจัยเรื่องชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เลยความโศความลําไรลําพันธุว่าเป็นทุกข์อย่างไรนี้รายละเอียดต่างๆนี้ก็ไม่เจาะลงไปแล้วแล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์เหตุทีท่ทําไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าดับเหตุของทุกข์ได้ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เนี่ยเป็นพระนิพพานข้อปฏิบัติที่ถึงพระนิพพานก็เลยเป็นอริยมรรคที่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับเบื้องบนจากว่าแต่ทุกข์อนนาถาปินิกา ดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุติปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดแกนาถาปิณิกาเศรษฐีนาะที่นั่งนั้นแหละ ด, ด, ดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมนทินควรได้รับน้ำย้อมฉะนั้นขั้นนาถาปิณิกาเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมรู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมหยั่งลงแล้วเนี่ยข้ามพ้นความสงสยัยปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสยัยถึงความเป็นผู้เกล้วกลา้า ไม่ต้องเชื่อคําสอนในคําสอนของผู้ของบุคคลอื่นอีกแล้วพระศาสดาได้ได้ทูลถามพระบอกว่ได้ได้ทูลคํานี้แด่พระพุทธเจ้าว่าภาษิทิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิทของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยทรงประกาศธรรมโดยเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเสมือนบุคคลหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางนี่นะ สองปทิบในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีจักษุจะเห็นรูปได้ดังนี้ข้าพุทธเจ้านี้ขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระ อ, องค์ทรงจําข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณะจําเดิมแต่วันนี้เป็นต้ินไงนี่พุทธังสารานางกระฉามีธรรมังสารานางกระฉามีสังฆังสารานางกระฉามีเนี่ยและขอพระ อ, องค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับพัตฐารเพื่อเจริญบุญกุศล เพื่อทำปาโมดปิติในวันพรุ่งนี้แก่ข้าพุทธเจ้าผู้มีพระผู้มพรภาคก็รับอาราธนาโดยดุษฎีภาพคันานาณาถาปินิกะขณะบดีทราบว่าพุทธเจ้าทรงรับแล้วลุกจากที่นั่งถวายบังคมทําประทักศิลแล้วก็กลับไปทําไมเขาทาประทักศิลพุทธเจ้าเวลาพุทธเจ้าประทับเนี่ยเวลาจะกลับนี่ต้องประทักศิลเวียนกว่ากี่รอบญญญแล้วว่ายในที่ทั้งสี่ทำทำไม นั้นเน่ยเป็นการประกาศยืนยันสัจจยานรอบแรก ใ, ก, กใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมาร์กใช่ไหมอริยสัจนี่เป็นสัจจยานไหมเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระพุทธเจ้าไหมเป็นสัจจะเป็นความจริงของพริยาเจ้าไหมเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจะเป็นความจริงของพริยาเจ้าว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุก จากขู่ยาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นกับพระเจ้าอย่างนี้อ น, นาถาปินิกาเศรษฐีก็สัจจากความจริงก็ปรากฏแก่ท่านท่านก็ยืนยันเลยใช่ไหมนี่รอบแรกรอบที่สองทุกษัตริ์เนี่ยเป็นกีตที่ควรไรล่กำหนดรู้สมุรทรไทยเป็นกีตที่ควรนิโรธเป็นกีตที่ควรทำมาร์คเป็นกีตที่ควร<ช>เห็นไหมรอบที่สามก็มาไหวรอบที่สองก็วหวสี่ครั้งหไหมนี่กิจยาน ก็ทุกสมุทัยนี่รอดมากนะทํากิจได้ถูกน้าท้าก็เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยทำกิจเหล่านี้จะมาอยู่ใช่ไหมทำกิจเหล่านี้เรียบร้อยแล้วรอบที่สามกัตยานไหมทุกนี่พระศาสดารอบรู้หมดหรือยังหมดหรือยังทุกของตนเองและทุกของบุคคลอื่นพระองค์ทําปริญญาหมดหรือยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วไหมสมุทัยพระองค์ละเกลี้ยงหรือยังแล้วก็ให้สัตว์อื่นลาตามด้วยนิโรธพระองค์ก็ทําให้แจ้ง แล้วก็เปิดเผยให้พระนิพพานในสัตว์อื่นได้เห็นด้วยด้วยมรรคพระองค์ก็อบรมให้บริบูรณ์แล้วแล้วก็ทําให้บุคคลอื่นให้บริบูรณ์ตามพระองค์ด้วยเห็นไหมสัจจยานกิจยานกัตถยานในรอบสามอาการสิบสองเนี่ยก็มันไปเดินรอบเจดีแล้วให้เข้าใจสัจจะความจริงนะให้เข้าใจสัจจยานกิจยานและกตถยานในรอบสามอาการสิบสองที่พระบรมศา ส, สดาได้ทรงแทงตลอดแล้ว แล้วก็ทสมได้บรรลุถึงที่สุดแล้วไปทากันบ่อยไหมเนี่ยไม่ค่อยไปวนแล้ววายสิบสองครั้งหนึ่งถึงไม่ค่อยเข้าใจอรียสัตสีวนอะไรอีที่พิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธก็ยงดีนะได้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะแต่ไม่เข้าใจสัจญาณกิจญาณกัตยานต้องไปเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเนานนะดีไหมเออกลับไปทำกันเถอะ ก็ประกาศตนนะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสารณะตลอดชีวิตจำเดินแต่วันนั้นเป็นต้นไปแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้านั้นเนี่ยรับพัฒนาหารพระเจ้าก็รับด้วยอาการดุษฎีภาพเนี่ยแล้วลุกจากที่นั้นทําประทักศิณราชกษัตริยเศรษฐีทราบข่าวว่านาถะนิมนต์พระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์มิวเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันในวันพ่งนี้จึงได้ถามมานาถเคราบุรีบอกว่า ท่านข้วดีข่าวว่าท่านนิมนต์พระเจ้ามีพระพุทธสุสองมีพระเจ้าเป็นมุกฉันในวันพรุ่งนี้ท่านก็เป็นแขกมาฉันจะให้ยืมทรัพย์ที่จะจับจ่ายสิ่งของแก่ท่านเพื่อท่านจะได้จัดทําอาหารเลี้ยงสองมีพระเจ้าเป็นประมุกอนาถาป็นิการเศรษฐีตอบว่าไม่ต้องท่านข้วดีทรัพย์สําหรับที่จะจ่ายสิ่งของเป็นเครื่องอาหารถวายพระเจ้าเป็นประมุกนั้นของฉันมีแล้วอ่านตรงนี้หลายคนลุกทุดีเลย คือถ้าคนกล้านี่นะไม่ต้องมีทรัพ์นิมนต์พระภิกษุเนี่ยถ้าศรัทธาจริงๆเนะี่ยเดี๋ยวก็มีคอยกล้าจริงๆเนะี่ยมีเทวดาก็ทนไม่ไหวเรื่องจริงนะคอยศรัทธาจริงเนะีย เห็นไหมว่าอนาถาพินกิกศาเสบียรไม่ต้องล็อกท่านก็เราบดีนะทรบสําหรับที่จะจ่ายสิ่งของเป็นเครื่องอาหารก็ดีถวายพระภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขของฉันมีแล้วเ <c> ห <oughs> ็นไหมมีแล้วชาวนิคมเมืองราชคลึกได้ทราบข่าวว่าอนาถาพินกิกขเสถียรนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วเนี่ยฉันในวันพรุ่งนี้ก็ได้ถามอนาถาพินิกะาขณบวดีบอกว่าท่านก็เราบดีข่าวว่าท่านนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ ท่านก็เป็นแขกนะแรกมาฉันจะให้ยืมซั์ใครก็จะให้ยืมซับกันใแถวแนวมากันเต็มหมดเห็นไหมมากันเต็มหมดล้วจะให้อนาถาปินิกาเศรษฐียืมซั์อนาถาก็วบอขอบคุณฉันมีแล้วอขอบคุณมากมากอะไรเงี้ยนะ จะได้จัดทำมหาเลี้ยงพระเจ้านาถาก็บอกไม่ต้องท่านผู้เจริญทรัพย์สําหรับที่จะจ่ายสิ่งของเป็นเครื่องถวายอาหารแด่พระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นมุกฉันมีแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ทราบข่าวก็มาแล้วสเสด็จมาแล้วแต่เนี้ยบอกอนาถาปินิกาหนิ้มู์พระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นมุกในวันพวกนี้จึงตรัสถามดูก่อนก็มาลีข่าวว่าท่านหนี้มูลพระสงฆ์มีพระพเจ้าเป็นมุกใช่ไหมท่านก็เป็นแขกในเมืองของเรานะเอ้าฉันจะให้ยืมทรัพย์พระเจ้าเป็นเดินจะให้ทรัพย์ สิ่งของแกท่านนะเพื่อท่านจะได้ทําอาหารเลี้ยงภิกษุสอ์มีพระเจ้าเป็นประมุขนะนะถาก็กราบเทวนขอเดชะอใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทเนี่ยนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเก้านะทราบที่จะจับจ่ายนี่เป็นเครื่องบรรณะในการทายหวายอาหารแด่พระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นมวกในข้าพระเจ้ามีแล้ ว, ลวอานาถาบิณฑิกาเสด็จถีก็ถวายพระอาหารเรียบร้อยเลยแสดงว่าการนิมนต์ภิกษุสอ์มีพระเจ้าเป็นประมุขเนี่ย ไม่ใช่ทําได้ง่ายเลยต้องคนมีศรัทธาอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้านั้นจะไปโปรดคนที่มีศรัทธาเท่านั้นใช่ไหมถ้าไม่มีศรัทธาเนะยไปก็ไม่เจอพระพุทธเจ้านะไม่เห็นเลยและไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าเลยเช่นพวกเราทั้งหลายเป็นต้น <c oughs> น่าเสียใจไหมล่ะเนี่ยเราไม่มีศรัทธาถ้ามีศรัทธาเนี่ยนะพระพุทธเจ้ า, จาถ้าคนได้บรรลุนะ ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่อยู่กันคนละมหาสมุทรพระพุทธเจ้าจะเอื้อมพระหัตถ์มาจับศีรษะเราเพราะว่าเกิดแต่อกเกิดแต่พระโอใช่ไหมพระธรรมเนรมิตรถ้าพระพุทธเจ้ายังงยังทรงพระชนอยู่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆ